พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจภูกตีหนึ่งเรียบเรียงโดยปออินสมใจชมพูป ร, รียนธรรมหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหา้นะโม ต, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธ h ấ สะ เอกาสัมิกเรสาวันเยสาวัตทิยังเจตาวันเนวิหารนโตภิกขุนังกทังอารพายมังจตตังกะเทศีติสัทวุดราสปุริตาตั้งลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้หุ่มไฟตั้งบุญ อันจักหนุนจวยกำเฮือปอนนำกงกาคือตันหากิเลสเข้าส่เขตนิพานจริงละการมวนหมูอันมีโยนำนาเอากันมาญยาตยาันนิบาทฟังทมจุงก้อยจำจือไว้พิจารณาไตาต้วไป บทบาทใดไปแจ้งจุงแต่งแซงกำงามใบสะธรรมตันเจ้าอันเป็นเก้าศรัทธาตันเจ้าจ่าจะใครบอกจีแจ้งออกแตามีบทใดดีควรใจจุงเอาไว้กับตัวเป็นเฮาขัววิเศษ แต่คมเขตอบายบทได้หลายแต่เปลือกจุงก้อยเลือกเอาสารตามอาจารย์แต่เก้าได้สืบเล่านำมาเราคิดตาหน้าแต่งซอยเรียงเรียบร้อยถอยกำควรตามขาบวนทำมาเตะหือแจงเจ็ดยิงใจ ตันตั้งลายจูผู้จุงคอยอยู่ดาฟังก่อนแลยนาเอกาสมิงเกราสามะเนดังเราจักรู้มานี่ใส่ปางเมื่อพระเงาไทยสบพัญญู ตนเป็นคู่แก่โลกคือป้นศกโสกานำสัตตามวลหมู่อายนาสูนิปานพงสำราญบ่ผพออยู่ในบ่นเจตาวันแห่งห้องคงเขตต้องปูนีชื่อสาวัตถีเมืองใหญ่แห่งต้าไทยปเสนติโกศาลราจา กับอาราหันตาบ่น้อยได้ห้าร้อยพระองค์เป็นอริยสง์จูภูชะลาตูบาย <c oughs> พีคูลายบวชใหม่ยังไปได้อภิญญากนานาบ่อน้อยไข่ตุบน้อยกูดีอาเทกะติวะสังตว่ายังมีในวันหนึ่งใส ยามตาวันใหญ่ดาลงเพียงคู่ทรงมวลหมู่พร้อมนาอยู่รงธรรมก่อจากกเงือนเก้าอันจากคือพระเจ้าเทศนาว่ า, าวโสดุราตันตั้งลายมวลมาเกานี่หากสังกาวะตทวตัตต น, นนาบาไปบ่ใจใดคนใดเป็นสายใยปีนอง เด็ดเนื่องของวงมูลเสืบข้าคุณแต่เก้ากระพระเป็นเจ้าทรงธทำป้อยใจดำมักบาปปองขันอับสับพันญยู่บอมาจูตีไกบอมาไวฟังรมบาปน่านำจากจองลงสู่ห้องอเวจีนานแสนปีออกบ่อได้ไฟบูไม่กาญา โอนสังกาแต่เราเป็นเชื่อพระเจ้าเสียได้แต่เลยนะตังสุตว่ า, ากาว่าในกาละนั้นอันว่าพระพุท ธ, ธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจาร พองสำราญพ่องแผวในกูแก้วกูดีโสตันญาณมีวิเศษยินตุกเขตจะข้าวานผู้ได้ขานจะกก่าบอว่าดาวแ ด, นด่นใดบอกว่าไก่และไก่ย่อมหูใดสันดีพระมูนียอดซอยใดยินทอยกำจานสัง้ามวนมู <c oughs> ใครก่าวโยร้องทมพระองค์คำเป็นเจ้ามีใจเต้าขุนนาจริลากาภาคเสด็จจากกูดีด้วยสาลีเวลาไปนั่งเนืออาสาแล้วพุทธชาทีถอยด้วยกำจื่นจอยวอนหู ว่าพีขาเวดุราพีคู่ทรงตนทารงสิ้นใสใจจ้านั่งพ่อนาหยังย้ายตันทั้งลายมวลมูจากเก่าสังา่งใาอันเรามาจวนใสลวดละไว้บ่อเจียนจานันจาตีนันนาเจ้าพิคู่ตนชาลาดก่ออภิวาททุนสา ใครขีญยาเหล่าเก่าเหือพระเป็นเจ้าตามมีพระโมนีรู้แล้วจริงใครข้าอุปแก้วเตสานาวาดุราพิกูตั้งหลายมวนหมู่ม <c oughs> กันโยโร่งทรมีนานำบ่น้อยเตวะตัดถอยปาลาเป็นญาติกาปีน้องติดเนื่องของวงใหญ่ พ่อยมีใจมักบาปองคาดตนเราใจมัวเมากรรกี่บัใจจัดนี้บัดเตียวเมื่อเราเต้วโลกวางพงก่อสร้างสมปาน <c oughs> เฮ อ, องบรรนานลิ้วโลอดเตวาตัดโหดปานก็อได้มารวมห้องเป็นปีน้องปองปันหัวใจมันมักบาปองคาดตนเราแลยนะ อากาวาอันวาสั ป, ปญญูตนเป็นครูวิเศษป้นจากเขตภัยมานกันไขนิตานเต้านี่แล้วก็ฮับข้าอุปแก้วบทเจียนชาตีนันนาเจ้าพิขุตนฉลาดก่ออภิวาททุนศารว่าอาติตานีิตานหลวงแล้วปากเมื่อพระตนแก้วปัเป็งธรรม เมือนนานำนาแกไขหูแต่สันได้คอจุงไข่กาวแสงหือสว่างแจงแนวนาวแดเตอร <c oughs> อาธาภากาว่าเมื่อ น, นันสัพพัญญตนเลิศแล้วจริงไข่ขอบแก้วเตะสนาวะติเตกิราพิงคเว อร ม, มาจะโกนามาราจาปัญจลานาเกเรรั จ, จังกะเรสิดังนี้เป็นตน้นว่าเพียก้าเวดุราเพียงโคตั้งลายอันเป็นสายอาริยจาเจ้อนักผาทรงยาน ในอาติตาการปางก่อนนับบ่อผนแสนปีมีปุรีใหญ่กว้างชื่ออัานอ้างว่าปัญจลนคกรพระผูธทอนยอดเงานัาน่งแตนเต้าผาปาราจื่อพญาธรรมจักบุญกว้างจุมไผอ้างเจยดจุมบีนางอุดมอาข้าว รวมแตนเต้าทรงเมืองวันดาเรื่องบ่อเศร้าจืดนางดอเนาสุกันธาบีลักคานาผาเสดงามลำเลิดเหลือใจนางกันยาใดจอยจืดนับได้หมื่นหกปันนางบ่อใจจางจากเจ้าตุกคำเจ้าเห็นกันตุกคืนวันบ่อผากุปัฏาเข้าใจ ส่วนหอใจแห่งเต้าตนภาพดาวทรงเมืองดูรุงเรืองวาววดกว้างขนาดปั่นว่าเงินคำขาดแต่งซอยมุกมัดหอยวันไวัรัชมีใสสองตองถึงเขตห้องแดนไก่โบมีในเพียบใดภับโลกไตเมืองคนปั่นดังรีป้นแห่งเต้านั้นเศร้าตั้งวัน เสนาจ้างหันหลยแลเสนามา่แผ่พับเมืองโยธาเรื่องมกนาดภัยบ่าอาจังขาญาคงปาราเต้าไต้จุมไพยไต้เจย์ยบาน โลกไม่วานไลยแลเขาน้ำแพร่เลือใจปอก้าไหลมาสู่ก้าใครอยู่เต็มเมืองภัยบ่อเคืองร้อนไม่เหตุเต้าไทยทรงธทมก็มีหันแหละนาะ <c oughs> สราจาอันว่าพญานันใสมีลูกนอไทยใจยิ่งสองเป้าปิ้งปีน้องเกิดรวมต้องเดียวมา ตนบุตรลูกเก้างามบ่เศร้าเป็นใจรูปทิ้งภายสะอาจจือกุศราดกุมมานส่วนนงคานผู้น้องวันนาสองใส่สีเป็นนารีหญิงเยมดังจางแตมหากฤษณนาทารงโสภาวิลาศลักณาอาจเอาใจดังเตวดาในฝากฝ้าลงแหล่งลาลงมา เยื่อสูนั้นตาดอนเอาปอแม่เจ้าเอาใจอยู่ห่อใจภาศาสบอขึ้ขาดวันยามก็มีหันแหลนาตาต่อปัฏานยะแต่นั้นไปไปดาบอเนินจ่าหึงนานเมื่อกุมารปีไทยพงขึ้นใหญ่ดีงาม ได้สิบสามขวบเข้าโรู้รีดเก่ากองทำใจโบดัมสว ก, กาจุมไผฟ้าเจยบ้านเสนาหานจุผู้ใจจื่นสู้เจยจมสึงโอดมโลกเต้าหรือตัวดาวธานีเจ้าปุรีป่อไทยก็บังเกิดได้บีบ้าฝุงโรกาพญ า, าตกตองปาดอินที <c oughs> หมอยาดีนุมเทามาอยู่เฝ้าเฟื่อแฝงเปียที่แรงหลายลูกยาบอถูกกันใดเจ้าห่อใจหิวหอดางจากโกรธบันมีนางเตวีนอลาพร้อมทวนนานางในตังไัยไตจูผูกกาอันอยู่ในเมืองเขายินเคืองโศกไม่กลัวเต้าไทยมราณา จนผาญาหูแล้วจิงเรียกลูกแกวใจยิ้งมานังปิ้งแอบข้างปงเบืองกวางเวียงใจแกใส่ใจลูกเกา่าเออเป็นเจ้าหอคำแล้วไขกํำสอนกก่าแก่ลูกเต้ายิางใจตามลวงไลยแจ้งที่บมีที่สังกา แล้วมารณานะก า, กาจีวิทขาเสียตนไปเกิดบนฝากฟ่าทวนนาจืตาว่าทิงสากมีหันและนาตามัทังปากาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพพัญญ ย, ยอดซอยหันบาทอยบานีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสะนาวะโสราจาปุตตาธิตารออนุสาสิตาดังนี้เป็นตนพิงคาเวดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาสินสะอาดไสสีสว่วนเจ้าปุริยดย่าวนั่งเต่นเต้าปัญจละนากร ยินอาวอนร่อนไม่จักดาไกมารณ า, าจริงเรียกหาลูกเต้าผู้ทวนเก้าเป็นใจรูปขิงภายสะอาด จ, จือกุศราชกุามารและนงคันลกลางามเงือนฟ้าสุนันตาฮือเข้ามาหนังไก้แล้วเต้าไทยอดคันตีแฝงใจดีสอนลูก เอแม่นถวกตามไราวาดูราสายที่ราดฟูงอาปาดไหลอันมาหอมกันถูกต้องในแห่งห้องกาญยา <c oughs> ตามธรรมบาดาแห่งโลกโสกตกโศกสูนกันป้อบหันจักรอดจากใดละตอดปุรีตั้งเตวีแม่เจ้าตั้งลูกเต้าจู่ค น, ขน ต้องรีปนจังมาตั้งไพฟฟาเยินใจป่อจักหม่บอกไว้ฮือลูกใดแต่เมืองอย่าแกน่นเคืงองโศกเศร้าเป็นเจ้าผาปุรีก่อตำดีก่อสร้างอย่าลีธิมั่งกองทอย่าใจดำอยาบชาจุงฮือไพฟฟาเย็นใจรีดกองได้แต่เก้าขอลูกเต้าอย่าตุมวาง อย่าขวางตาเส้นใหญ่อันจักได้สู่สวรรค์จุงใจพันจะใจไขนั่งไก้ปันดีตาแล้วพุทธชาถามข่าวอือหูดาวกองทำกยส้นำจำไว้เป็นไม่ใต่เตี้ยมใจตาสาทำได้แต่เก้าย่าละเป่าวังลา กันภาญาสั่งแล้วยังลูกแก้วใสใจน้ำตาไหลหลังย้อยตัวอ่อนมออ้อยรวยแรงเต้าใจแข็งขางนาดยกมือปาดบุตรตา <c oughs> ลูกไปมาตั้งกูแล้วเข้าสู่มรณะก่อมีฮันแะนา อันนางเตวีแม่เจ้ากับลูกเตายิงใจกันยาลายอ่านมือนนะบาบ่จืนโศกตั้งเศนาอามาดและคาถาใจยิยงหาตีปิงบ่ได้ลวดร้องให้โกละหนตั้งรีปนนมเท่าตุกโศกเศร้าท่านัดใจตัวเวียงใจแผ่นกว้าง พายบ่ออ้างเจิยบ้านเสียงจ้างสารร้องเสนมาฮีเห็นเนื่องนั้นอุคฮาลูกันเมื่อก่อนลวดได้ผ่อนสูญหายคนตั้งหลายจูโผกาอันอยู่ในเมืองเสนาเรื่องนมเท่าอามัดเก้ากว่าโยธาเขาก็ดาแต่งสร้างเลิกศากเจ้าจังปุรี สัมปาเวนิแต่เก้ารอยฤทธิ์เก่าโบราณก็มีฮัน่นเลนะลำดับนั้นอันว่าเสนาหานโพเทาอันเป็นเก่าแก่เมืองกันกำเครื่องศกไม่ถึงเต้าไทยองอ์อออนัอนเมื่อมอนก้อยกาด หายเสียงขาดบรรเตาอันจากเอาลลกเจา้าเฮอเป็นเก้าปารากองเฮือเสนาผู้องอาจเอาขอนฟาดกองใจเสียงดังไปคาคืนพับตัวปืนปุรีเฮือมณทีอามาตังนักผาตอาจารย์โยธาหันไพฟ้า มาพร้อมนารองกันจุ่มนุมกันพร้อมแล้วก่ออาภิเศกนอแก้วเจียงคานคือกุ ม, มารกุสราชถือนั่งภาสตรเสวยเมืองแต่นบนเรื่องป่อไทยเป็นเต้าใหญ่เอกราชาก็มีฮันแลนา โสระ จ, จังลาผิดต่ออันวา่มมากุมารกุศราตได้นั่งภ า, าสาจะเวยเมืองแทนบุญเรื่องป่อเจ้าตามริดเก่าประเวณีเมินหลายปีมารอดเจ้ากึดสอดปายในถึงสายใจน้องลาพงขึ้นนาเป็นสาวชมเปิงเป้าล้วนทวนเนื้ออ่อนอ้วนสุขุมาน นาตาบ้านยิ่งแย้มสองฝ่ายแก้มเพียผิวคำ้ำตาดินดำบ่หวงวันน่ะผ่องใสสีจักเป็นดีไปนาะ <c oughs> เรือถอยจ่าสันใดเจ้าห่อใจตนเปีใคไขหู้ทีจะาตาจริงเรียกขานักผาดผู้ฉลาดโหรา คือเข้ามาตีไก่แล้วเตาาไทยผู้บ้านก็คือหานคุณเศษคือเสียงเหตุสังกาจุมโหระหนุ่มเท่านอมใบเจ้าเร็วปันลงเลขกวันเป็นเก้าเลขกเดือนเขากูนแก้มเลขกปีแถมบวกใส่แล้วตั้งไว้เป็นทานเลขกเจ็ดทานเอาเศษตามทะาไรเป็ดเฮียนมา <c oughs> มอโหระดมเท่าพ่องดาเซาดำแดงพ่องหลักแยงผู้อื่นพ่องดาจืนมีสีพ่องใจบอดีขุดคู่ส่องกิ้วหูหากันพ่องก็หันทีแจงพ่องก่อแสงอืออเอาดินสอขีดแต้มว่าอมแอมตามแสงพ่องขีดเป็นแสงกดเกี้ยวบิดปากเบี้ยวไปมาก็มีหันแหละนะ ตีนั่นโหราจารผู้ใหญ่จมแจงไขตั้งตายย่อมือถวายน้อมไว้ึ่งเต่าไทยผู้บ้านว่าน้องคานนองเนาราหูเขาเบียนควีจากได้นี่จากห้องไปตกต้องแดนไก่ย่อนเว้นไหนปังก่อนมาไลลตอนต่อจนยักษ์ตามนหยาบจ่าฤทธิีกาสซิงสา จากเตี้ยวมาป้าใส่เอาน้องไทยนีไก่แต่นี่ไปไปนาบ่อเนื่นจ่ากเจ็ดวันจักได้หันแจ้งที่บ่มีตีสังกาซาลีโซภากินกูจักตกอยู่ดงรีเมิ้ลหลายปีควบเขาจักได้ปอกเตาขึ้นมาเจริญนา ้ังสุดตัวราชาอันว่าภาญกุศราดฟังโอกาสหมอดตายว่ายักภายเพจกาจักเอาน้องลานีไก่เต้าตกใจศารลังเหือปูปังตั้งตัวผมยังหัวย้าเหยือกตาเลื่อมเลือกแกะจันแล้วตกรางวัลหลายสิ่งเสีอผาญิงนานา แค่โหราจูโฟเฮือปอกสูเฮือนตนแล้วเรียกรีปนจูเหล่ามาอยู่เฝ้าแห่นางกาะมีหันและนาตามทางปรกกาเซนโตศรัทธาาสัทธาสัพัญญุพระพุทธเจ้าจักไข่เหล่าบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสานาวาพิกาเวดุราพิกุตังหลายอันเป็นสายอริยญาตาิอันว่าเต้ากุศลธาตุภูบาลฟังโหราจาร์คันก่าวร้อนเผาเาาตั้งคิงกวัวนางยิงน้องลาปัตผากหน้าห น, นีไกเหือคขไหล ย, ย้อยลัง ลูกแล้วดังหลายที่เจ้าปุรียศใหญ่อดใจใสสับปันแล้วก็ปันเสือส้อผ้าเสื้อผ้าตั้งเครื่องงาอาลังการแก่หัวราชานจูผู้ือปอกสูเฮื่อนตอนแล้วเอขุนปนผู้ใหญ่อันเตาา้าใสไว้ต่างตา ตีสัญญาเป่าร้องไปตัวห้องเวียงใจฮือเสดไนหนุ่มเทาไหลหลังเขามาพันมาเห็นกันอยู่เฝ้านางน้องเจ้าราชาเสียงสัญญาตาตุ้มดังแต่คุ้มหอคำรีปน้ำลายมื่นเขาแตกตื่นกันมาถือภาลากับดาบ เต็นผ้าภาาเป็นสายพองสะไปาสีนา่งองกวาดกงทานูไหลมาจู่จะจืดฝุ่นพอมืดบางบนตั้งรีปนวาจ้างบ่ออาจอ้างสั่งขญ า, าตั้งโยธ า, ารดราดเซนาเตียวตินเขาได้ยินเสียงป่าว เรียฟังฟ้าตันใจมาลำลาย ล, ละลุ่มเต็มควางคุม้มบางหลวงคนปันปวงดุมเทาไหลหลังเข้ามาจอมหลมาหอมละเลือดพอดำเมือดสุดตากันเข้ามาพร้อมแล้วเต้าต้าตนแก้วผู้บ้านจริงมีราชองค์การบอกเขา ตามกำเก่าหมอต้อยว่าจักมีพายเพ็ดกาคือยักป่าดงตันเตี้ยวภายพันซอสอดลวดมาหลอดเบืองเรา <c oughs> จากมาเอาน้องลาไปสู่ป่าเบืองมันหมอต้อยหันที่แจ้งบ่อใจแสงจะใครแต่นี่ไปไปนาบ่อเดินจาเจ็ดวัน <c oughs> จากได้หันแจ้งที่บ่อบีติสังกาสู่จุงมาอยู่ท่าหบยักกาดงรีกงธนดียาขาดตั้งหมอกนาตแล้วเล่าหอกคมข่าวเล่มใหญ่ปืนปิดใส่ยายำจุงวางตํ้มไว้ไกลไผอย่าได้วางลาจุงรักษาอยู่เฝ้า โตคำเจ้าคืนวันแม่นยากมันมาแต้หือมันแผ่เหนือดินแด่เตอต่างสุดตัาโยธาอันว่าโยธาลายหนุ่มเท่าฟังคำเจ้าผู้บ้านสะห่าวหานโหร้องสนั่นกองปารา คมอาสาลบภาพกาบยักหยาบอาทำผ่องไข่กําอวดอูว่าคารู่อาคมเป่าเป็นลมปัดปั่นเป่าฟ้าลันไปบนเป่าเป็นฝนหาใหยเป่าใบาไม้เป็นแตนเป่าเป็นแดนดงเถื่อนเป่าดอยเกลือนลงมาเป่าหินผาก้อนใหญ่เป็นจังไลจนกัน ตั้งบนยันวิเศษหูเสียงเขตจูพักการโยทาหารมวลหมู่จาอวดอูนานาแล้วรักษาอยู่เฝ้านางนอนเ่าจูขึ้นวันก็มีหันและนาสาสัตตาเบติวเสสสัมปเตกันวันทวนเจ็ดมาไขานางนอไทยสุนันตา อยู่ังกาภาสาติห้องราดปายบนใจเววนกือรอดไข่ลาสอดส่วนดวงแอวจมดวงดอกไม้ตีจิมไกเวียงใจเหตุกำเนหนปางก่อนมาจักสอนนำตั้งปาใจนางสายสันร้อนไร่ปันเววานางจริงสาขับไปบอกปีไทยตามการ ตอนผับ้านกุศราชกึดรู้ขวาดสับปันจริงบ่ปันปล่อยน้องไปจาก้องห่อใจเ ย, ย่ออยากไภเพ็ดกาวาน้องลาหนีหายนางชมชายร่อนหมเยาร้องให้ปฏิริ ป, ปริเตวานาขาบทุนสาปเจ้าขอลืมเล่าลายตี เจ้าปูรีปีเตา้ายินโคเท้าเลือใจจริงจักไขโอกาสอนุญาตปงวางส่วนตัวนาง น, นอเน า, นากันปีเจ้าปวงปันมีใจมันจืนสู้ดาไปสู่วิญญาณส่วนผู้บ้านตันเต้าก่อหื้อเป่าเสนาตั้งโยธาหลายลแหลแวดล้มแหนงนไป <c oughs> สรีนองไวนอเนางามบ่อเศร้สาสุนันตากับกัญญามวนมาก่อลงจากหอใจเสนาในแวดลอมแหนแหออมเป็นปริวานเขาใจบ้ า, บานจูผู้ออกไปสู่วิญญาณนางนงคานนอเนา w ให้โศกเศร้าโศกา เก็บบุปผาดอกไม้มาพักใส่มวยผมเด็ดมาดมระรือนาตาจืนเจยบ้านก็มีด้วยพระการดังเก่ามนีเลยนะเนธิตังขีนาสังวันนานาวิเศษจ่าห้องเหตสังสินทนดูใจผูกเก้าปางเมื่อนั่งนอนเาสุนันตา กับนางกันยามวนโมลาเล่นอยู่เจยบ้านในสวนวิญญาณดอกไม้หายสกไหม้กังวลจุงรีปนจู่เหล่ายังเวดเฝ้าลำไรอยากเป็นสันใด้ไปนาก็แอดทอมทาดาฟังผูกนี่ยังไปแจ้งจุงเตืมแทงผูกซองแดดเตื้อกังกลมสมเร็สด้วยแล้วเต่านี้ก่อนแล